เดินไปไหนคอยจะจองหกล้มนั้นนี่นะเวลามันเหนื่อยพอเป็นขนาดนี้แหละมันเหนื่อยพอแล้วนะนั่นกำลังไปกันไล่เขาีนนะไ้ก่อ น, อ ห, นหนืหน่นอมากก็อไรก็นั่นน้ำอะไรนะั่นน่ะ้ำตาลไนน้ำตาลชนด้วยวันนี้ฉันอะไรไม่รู้นะถ่ายท้องนะวันนี้นะ เราก็ไม่เคยเป็นพึ่งเป็นวันนี้แหละถายท่องมากขึ้นเลยนะถ่ายสองคนสามคนเท่นเหนื่อยมากเนีผ้าเก่าผ้าใหม่ยี่ผ้าเก่าหรืเนี่ยยี่ผ้าเก่าอืมร้อหยหรกันนีห้อง <c oughs> วันนี้ไม่มีคนนอนข้างบนแล้วมั้ง วันนี้มีคนนอนข้างบนรวังนี้เปล่าเนอ๋เหนื่อยมากนะวันนี้เหนื่อยงมันทั้งวันเลยวันนี้เลยทั้งวันคนแก่ไม่เหมือนคนหนุนะโอ้โหโอ้ฉันอะไรมันก็ไม่ได้ยนลาลแก่กนานนี่แล้วนะถึงอะไรเนี่ยน้องลุงเนะ อันนี้นนถ้ามีจ่นั่งกินมันอะไรสกปนอย่เี่ยมันไม่ค่อยฉันมัหรมันไม่ค่อยสนิทลิ้นสนิทปากพวกนั้นเลิกกันตัวระวังฝ้ข่ขงล่างนะเหรอคงเลิกกันที่รับ วันพรุ่งนี้ก็ทอดกระถิ่นทั้งวันนลยนะรอบๆมันมดทอดกระถิ่นทั้งวันนะวันนี้ก็จะเริ่มไปทอดก็มีแล้วมั้งออกจากนี้เขาก็ไปทอดที่อื่นแะต่ <c oughs> วันพรุ่งนี้ทั้งวันเลยท่กดกระถิน่นโอ้วันนี้เหนื่อยมากนะผ ม, ผมเหนื่อยมากจริงๆแช่พ ว, วนตลอดเลย องค์คำวันนี้ดูนันได้ดูตั้งแต่เที่ยงเขาเขาคงนับตอนเที่ยงมาเอาบัญชีมาให้เราอ่านดูดูองค์คำได้1ด3รกิโลสามสิบาทร้อยกว่ากิโลนะวันนี้เงินก็ไม่ต่ำกว่า3า3สิบสามสี้าล้านนะมั้งเนี้อร้อยกิโลนี้เป็นเงิน4ล้านบาท มาไกลอนะไรนั่งน่อขนาดน้ำก็ดีเลยฝนลื่ น, ะนเนี่ยเนอะเนอะเหนือนึอออนอกว่าเสียงฝนตกอยู่ตกเบาๆนี่เจ้าเนี่ยขอให้ชุ่มสักหน่อยก็ดีวันนี้มีรถโรงพยาบาลมาเอาของกี่ สี่ท่านรมีไหมวันนี้เนอะโรงมีวานมาเอาของมีไม้วันนี้วน ว, นนนวนันสองโรงสโรงเป็นประจาทุกวนันทุกวนันบางทีก็ถึงหกโรงก็มีวลสอง 3, โรงสามโรงสี่โรงนี่มีประจาห้องเป็นอะไรท่ายแต่อยู่ในวันนี้นะ อันนี้พอวัไปเนี่ยอันนี้จากหน้าแล้วเออน้ำตะน้อยคนที่อายุแปดสิบแปดย่างมาสองเดือนสองเดือนกับกี่วันสิบสองสิบสองสองเดือนกับเก้าวันใช่ไหมวันนี้วันที่เี่สิบอดนะ เราเกิดวันที่1 2สิงหาเนี่ยกันยาตุลา22เลยสองเดือนแปดแปดปีแล้วน่นเนี่ยความเหนื่อยเป็นประจำแล้วเวลานี้นะไม่ว่าจะยืนจะเดินนั่งนอนความเหนื่อยนี้ติดตัวแล้วเริ่มมีประจำแล้วดูเฉยๆก็เหนื่อย แต่ก่อนเวลาเราก็ดิบพลิกแพงเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนมันจะรู้สึกเหนื่อยเดี๋ยวนี้อยู่ที่เฉยๆก็เหนือนหน่อย่ะแปดแปดสิบแปดนี่เหนื่อยละว่าจะไม่พูดอะไรมันก็จําเป็นให้ได้พูดอยู่นี้แหละเกี่ยวกับพระกําเนนทั้งวดัดทั้งวานี่วันนี้ผมเหนื่อยมากจริงๆนะไม่อยากพูดอะไรเลยแต่มันก็จําเป็น <c oughs> <า>ด้านวัตถุละเป็นสำคัญมากเป็นอันตรายต่อ <c oughs> แต่เพราะอย่างยิ่งต่อจิตตะภาวนาของพระต่อพระกรรมฐานของเรา <c oughs> วัตถุนี้เกลื่อนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าวัตถุนั้นคือตัวไัยหรือเป็นความ สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดด้วยกันนะอ่กิเลสนี้แฝงไปตลอดเวลาไม่ว่าจสถานที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนเรื่องกิเลสนี้จะแฝงไปแฝงไปธรรมชาติเธแท้ท่านไม่มีอะไรท่านไม่ยุ่งนะวัตถุนี้ท่านไม่ยุ่งที่ดูที่ไล่เขาลกมลล้มไม้นั่น่ะเห็นไหมล่ะ ถ้าวัตถุก็เป็นอย่างนั้นไปเสีย <c oughs> มาได้วัตถุรู้ลาฟู่ฝ่าทุกทิ่งทุกอย่างเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนทุกวันนี้นะในวัดในวา น, นี่ไม่ต้องพูดแล้ะเป็นส้วมเป็นฐานของกิเลสทั้งหมดเลยผู้ทำมันชัดชเจนตามบัตตามธรรมตามความรู้สึกได้พิจณาและปฏิบัติมาอย่างนี้ <c oughs> มันไม่ได้คุ้นนะักกับวัตถุนมันเห็นว่าเป็นตัวภัยตลอดเวลา ทำแท้ไปอย่างนั้นแ่ะไม่คุ้นกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่พอมีพอเป็นพอไปอาศัยเป็นการเป็นเวลาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละนั่นแหละคือทำไ <c oughs> อแบบรู้ลาฟู้ฝ่าฟุ้มเฟยลืมเนื้อลืมตัววัตถุเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของใจไปเสียแทนที่จะดูหัวใจตัวด้วยสตินี่ไม่ไมี นี่อเลวลงขนานะนั้นละพระกรรมฐ า, านเรามันขวางตลอดเวลานะผมไม่พูดเฉยเฉยนะอะไรกุติผมจะอะไรไปรู้ละวู่นวาไม่ได้วุกบ ป, ปาเขาปาหมดไม่ใช่เรื่องของกิเลสในส้วมในฐานตกแต่งสทัทโธเครื่องทําความสะอาดในฐานก็ไม่ทราบกี่เครื่องกี่อย่างนะเนี่อเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะ ที่ไหนที่ไหนรอบตัวมีแต่เรื่องของวัตถุวัตถุวัตถุตถจิตตภาวนาไม่มีนี่สำคัญมากนะโอ้จนจะดูไม่ได้นะผมพูดจริงๆคือมันเห็นชัดขนาดนั้นนะแต่ทำไมรู้เห็นไม่ไเหมือนโลกนะไม่อยากพูดอยากคุยอยากโออยากอวดไม่มีมีก็เหมือนไม่มี ไม่ผลักไม่ดันไม่กดไม่ถ่วงเรียกว่าพอดีตลอดเวลาจึงเรียกว่าทำไม่กวนใจคือทำถ้ากิเลสแล้วกวนทั้งนั้นละ่ะกวนตลอดเวลามีมากมีน้อยกวนตลอดเวลา <c oughs> นี่คือกิเลสถ้าทำแล้วไม่กวน ร, รู้มามากน้อยก็ก็รู้อย่างั้นละ่ะไม่กวนนะ เดี๋ยววันนี้ก็เพียมากตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมางานการตลอดเวลาเลยพักเที่ยงชั่วระยะนิดหน่อยจากนั้นก็มีแต่แกกแต่คนยุ่งอยยางวุ่นวายผมทนเลาวนะจิตเรามันไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยมาพูดทำมันงกงๆในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามาผ่านในหัวใจนี่เลยโล่งหรือว่างสุญญโตโลกังอเวกคัดสุ ปเป็นหลักธรรมชาติของใจนี้ว่างเปล่า ว, ว่างเปล่าของดินฟ้าอากาศกับว่างเปล่าของจิตที่สิ้นกิเลสนี้ต่างกันมากนะว่างเปล่าของจิตที่สิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วทั้งว่า ง, ท, ง, างทั้งอัศจรรย์เลยคาดโดยหมายทุกอย่างเนี่ยว่างของดินฟ้าอากาศเราก็เห็นด้วยกันทุกคนมันเป็นของแปลกอะไรมันว่างไม่ว่างมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้น แต่คนว่างทางด้านจิตใจไม่มีอะไรยุ่ยแย่ก่อกวนนี่นอกจากว่างอย่างนั้นแล้วยังว่างด้วยความเลิศเลยไปอีกหาที่เปรียบไม่ได้เลยนะนี่อะโลกไม่เห็นธรรมชาตินี้พระพุเทธเจ้าพระหันเท่านั้นท่านเห็นท่านรู้ <c oughs> พวกเราไม่เห็นไม่รู้ที่ <c oughs> จึงให้กิเลสเข้าไป ตีตลาดอยู่ในหัวใจตลอดเวลาตลาดกิเลสไม่เลิกคือหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละตีตลาดอยู่ตลอดเวลาตีหัวใจของสัตว์โลกรู้ที่ว่าโลกนี้โลกไหนที่พอตรงพอวางพอสะดวกสบายได้มันไม่มีถ้ากิเลสยังไม่ว่างจากใจนะมีมากมีน้อยกวนตามส่วนของมันนั่นแหละไม่มีซะเลยนั่นแหละไม่มีอะไรกวน นะท่านมา ส, สูญจโตโล ก, กางเวคคัสสุ <c oughs> นอกจากว่าว่างอันนั้นแล้วยังเป็นของอาจารย์จากความว่างนั้นอีกนไม่ใช่ว่างเฉยๆมันผิดกันอย่างนั้นนะมีพากันมาทุกวันทุกวันหนาแน่นขึ้นเนี่ยพ่อพรรษาแล้วจะหลั่งไหลเข้ามานี่จะหนักอีกนะผู้ทาข้อวัดปฏิบัติประจานี่หนักมากก็มี ผู้ที่เป็นสูงทั้งซ่อนที่กีดขวางหมู่เพื่อนอยู่นี่ก็มีนี่หละเรื่องของกิเลสกับธรรมมันรอบกันอยู่ตลอดเวลาในพระในเนนที่รวมกันอยู่และในหัวใจของพระแต่และดวงละดวงนั้นมันกวนมันยุมันแย่มันทําลายตัวเองแล้วก็แย่ไปกีดขวางคนอื่นให้เดือดร้อนไปตามๆกันผู้เป็นอัตเป็นธรรมเลยจะตาย พราะพวกนี้มันไม่มีราคามคาไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จกักผีดจักถูกมันจีดมันขวางได้ตลอดเวลาผู้ที่มีอาตมีธรรมก็ลาบากละบนสิข้อวัดปฏิบัติไม่ทราบเป็นยังไงนี่ละอันหนึ่งอะผมเคยผ่านมาแล้วกับอยู่กับครูอาจารย์จนถึงขั้นเข็ดขั้นหลาบดูแลหมู่เพื่อนแทนพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อให้รับความสะดวกสบายในองค์ท่านเอง ที่เป็นล่มโพล่มใสให้ความร่มยเยตนแก่บรรดาผ้าเด่นทั้งหลายไม่อยากให้มีอะไรกระทบกระเทือนท่านเราจึงพยายามรักษามหมู่เพื่อนให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยตลอดเวลานีละที่มันด้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพระกำเนนนี่โอ้ยเก่งเกง่งกั้งกั้งเหมือนทุงท่องทอนจีกีดขวางขวางทุกแบบทุกฉบับ ทิฏฐิมาหน้าก็ไม่ใครไม่มีใครเกินพระเกินเนรแล้วนะมันก็กระทบกระเทือนกันตลอดเวลา น, นี่เวลามาวัดป่าบันตาลนี่กิเลสมันอยู่หัวใจของพระทุกองแล้วจะไม่มีเรื่องเหล่านี้เข้ามาขัดมาแย้งมาก่อกวนกันได้อย่างไรผู้หนักต้องหนักมากนะผู้เบาเบาจนหมดราคาเลยมีเยอะในวัดเหล่านี้ อยู่สบายกินสบายนอนสบายไม่ได้คิดถึงหัวใจของใครเลยนี่มีอยู่เยอะนะนี่แหละอันนี้แหละที่ทำให้เป็นความละบากระบนแก่ผู้ตั้งใจมพูดปฏิบัติหน้าที่การงานข้อวัดปฏิบัติผู้หนักหนักมากนะผู้เบามันเลยเบาไปแล้วการบำเพ็ญภาวนาไม่เอาจริงเอาจังไม่ได้นะยามาทำละหล่อเลยให้เห็นนะ กิเลสไม่ใช่ของเล็กน้อยไม่ใช่ของจะทำระมันง่ายๆนะเหนียวแน่นมันคงไม่มีอะไรเกินกิเลสละเอียดแหลมผมก็ไม่เกินกิเลสแหละถ้าทําให้เหนือมันแล้วจะมองไม่เห็นมันได้เลยนะมีตั้งแต่กิเลสเต็มตัวเต็มตัวเดินจงกรมก็สร้างเรื่องราวอยู่ภายในใจนั่นแหละกิเลสสร้างแต่เรื่องราวนะทําระงับดับเรื่องราวเอ ทติธรรมปัญญาธรรมมันก็ไม่มีในใจอลไรที่จะเอาอะไรมาระงับดับได้แล้วก็ปล่อยให้ตะกิเลตมันสร้างเรื่องราวเป็นฟืนไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาเรื่อยมาเรื่อยไปอย่างนี้หนีวงกรรมฐานจะแคบก็แคบเข้านะอผ้ากรรมฐานเราก็จะตื่นตามโลกตามอุปสรรตามความนิยมของกิเลสไปหมดด้านวัตถุลราสําคัญเออะก็สร้างนั่นสร้างนีมาแห่มันขัดจริงๆนะกับเรา หาสนาท่านก็ ส, สอนเอาไว้แล้วไม่มีวัตถุใดที่เข้าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับการภาวนาของพระในครั้งผู้ตัการสาหรับตํารามีอยู่เห็นด้วยกันทุกคนอ mm. นี่ก็ดึงสําหรับตำรามากลางมาดูมาปฏิบัติอ mm. แล้วจะของก็เป็นความสะดวกมาเพราะการไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งภายนอกมีแต่ทำร้าจิตใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้น เอากันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีหยุดมีย่างตลอดมาเลยหนักมากทีเดียวเนี่จึงได้เห็นเรื่องของกิเลสมันเก่งขนาดไหนเมื่อเราตั้งเขาะความพยายามอยู่มันก็เห็นกันจนได้ละเรื่องของกิเลสมันหนีเพราะทําไปไม่ได้ละถ้าไม่มีทำสติธทำเป็นต้นไม่มีในใจเลยแล้วเท่านั้นละเหมือนสุ่มทั้งทอดอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ดินฝ้าอากาศนับไปนับมันอะไรระษา ม, มืดกับแจ้งมันมีมาตีกับกีกันเงื่อนต้นเงื่อนปลายมันอยู่ที่ไหนของความมืดแจ้งนะไม่เห็นหมีมันมีมาอย่างนี้ตลอดไปตื่นมันหาอะไรเ ด, เดือนนั่นเดือนนีน้ปีนั่นปีนี้สสารที่นั่นที่นี่มันก็เคยมีมาดั้งเดิมเช่นเดียวกันอีกเข้าไปตื่นหาอะไรเสียงที่มันกวนหัวใจนั่นนะ มันควรอยู่ตลอดเวลาให้รับความทุกข์ความดัดล่อนพระมีสติก็จับกันได้รู้กันได้แก้ไขดัดแปลงกันได้นะถ้าไม่มีแล้วตายทิ้งเอาเปล่านะนี่ผมก็แก่ไปทุกวันทุกวันจวนตายเข้าไปเท่าไรยิ่งเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากเข้าไปโดยลําดับนะเวลานี้สายกรรมาฐานทั้งหลาย <c oughs> รวมในสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้ก็รู้สึกจะมารวมอยู่ในจุดผมจุดเดียวนี่นะ เรียกว่าเป็นผู้เมียวยุภรษาแก่กว่าเพื่อนหนึง่งแล้วการได้ยินได้ฟังกับครูบาอาจารย์นี่หมู่เพื่อนก็คงเข้าใจกันแล้วยกให้มาเลยว่าเราเคยได้ศึกษาหลงวงครูบาอาจารย์มาเนี่ยและเรื่องจึงมารวมอยู่กับผมเมื่อรวมอยู่กับผมแทนที่จะนำไปเป็นสติเครื่องเตือนใจตัวเองให้เป็นความดีขึ้นแต่ตัวนี้มันกลับจะไม่เป็นนะ ก็คิดไปอย่างนั้นแหละอยู่ไปเส่อเส้อซาซ า, าไปวัตถุนะสำคัญมากนะโอ้เป็นค่าสึกมากต่อการบำเพ็ญนะมีมาทุกแบบในเรื่องของกิเลสมันแผลงฤทธิ์ขึ้นมาตลอดตลอดแต่เราไม่รู้มันแผลงฤทธิ์มันสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายาสร้างความเห่อเหิมให้หัวใจของพระกรรมฐานเราให้ดีดดิ้นไปกับสิ่งเหล่านี้นะ ไว้ที่ไหนถือการก่อการสร้างวัตถุเป็นของสำคัญยิ่งกว่าการภาวนาเนี่ยสําคัญมากตรงนี้แหละกรรมาฐานเรามันก้าวไม่ออกและไม่ได้เรื่องได้ราวก็เพราะเหตุนี้เองรู้หัวใจเจ้าของเท่านั้นแหะสําคัญดูอะไรกับสิ่งเหล่านั้นมันชิดเรื่องอะไรสติจาวตลอดเวลาทุกก็ทุกเถอะทุ ก, ทกด้วยการตั้งสติเพื่อจะระงับดับฟืนดับไฟภายในหัวใจคือกิเลส ไม่ได้เป็นทุกข์เสียงหายอะไรเลยแต่ทุกข์เพราะกิเลสเยี่ยมย่ําทํำลายไม่มีต้นมีปลายจะตลอดไปเลยล่มจมไปเรื่อยๆอย่างนั้นแต่ทุกข์เพราะความเพียรเราที่จะฟาดหัว ก, กิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปสร้างความสุขขึ้นมาในะลําดับแห่งความทุกขจากความเพียร น, นั่นนี่เป็นของสําคัญมากนะควรพิจ า, ารณากันให้มากนะ โอ้มันดูพระเรามันจะดูไม่ได้นะเวลานี้ไม่ว่าดูท่านดูเรามันพ่อๆกันนะเอาผ้าเหลืองคลุมหัวแล้วหัวล่นแล้วใครเขาก็ไม่กล้าตำหนิติเตียนอ่าเขากลัวบาปเขาเห็นแค่ผ้าเหลืองเรายิ่งสนุกทนงตัวลืมเนื้อลืมตัวโอ้อ้าฟู่ฟ้าว่าเป็นพระเป็นพระยิ่งได้ยศธาบรรดาศักดิ์สูงเข้าไปเท่าไรยิ่งเป็นบ้าเข้าไปอีกดินเหนียวติดหัวก็ว่าตัวมีงอนเข้าไปแล้ว นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันมีแต่ผ้าดินเหนียวติดหัวนะเสกสรรปัญญอตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราเป็นพระกัดินเหนียวติดหัวเข้ามาแล้มนะ่ยจากนั้นก็ขยับขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเป็นใหญ่เป็นโตเลยเอาความดิบความ ด, าม ด, ามดีไปให้อยู่กับชื่อกับเสียงไปเสียด้วยความเสกสรรปัญญอไปเสียหมดความจริงและไม่มีภายในใจคือการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี มีสติสตังความนมัดระวังประจำตนมันไม่ค่อยมีนะเวลาเนี้ยเอเอาความดีจากชื่อจากเสียงไปอย่างนั้นภาษาชื่อตั้งอะไรมันก็ได้นะตั้งฟาดจรวดดาเทียมก็ตั้งได้แต่คนจมในโลกมีความหมายไหไรเห็นไหมเนี่ยเดือนจำนั้นชื่อมันกี่ปร ะ, ประเภทไม่ทราบนายสวรรค์พรมโลกอะไรมันมีอยู่ในนั้นหมดนางสวรรค์ นายพรนายบุญนายบาปไม่มีนะแต่มีแต่คนขี่บาปเต็มเดือนจอํานู่นั้นนั่นเราตั้งชื่อตั้งเฉยๆไมันเกิดประโยชน์อะไรสร้างตัวให้เป็นคนดีเขาจะตั้งว่าไอหมาก็เป็นอะไรไปภาษาชื่อตัวเราไม่ได้เป็นหมามันจะเป็นอะไรเราตั้งให้ขึ้นแดนสวรรค์ตัวเราเป็นหมาขี่เลือนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนตะ่ น, นี้พวกเราสมัยปัจจุบันนี้กิเลตตั้งชื่อให้นาะกิเลต เสกให้ไปหลงชื่อหลงนามตามกิเลสนะไม่ตัวไม่ดีตัวเหมือนหมาขี้เรื่องก็ตามขอให้มีชื่อพระพอพลิ้งมีเครื่องประดับตกแต่งหรูหราฟุ่าเฟ้าพอเป็นเครื่องหลอกตากันของกิเลสที่หลอกโลงสัตว์โลกมันก็พอใจนี่แหละสำคัญนะนี้นะมันไม่ได้ดูหลักธรรมชาติอยู่ในหัวใจนี่เลยอะไรบ้างดีดขึ้นมานั่น ยิ่งเรดดิที่มาตรงไหนเป็นไฟตรงนั้นแหละถ้าดูมันต้องเห็นถ้าไม่ดูนะั่นตายก็ไม่รู้เกิดมากี่ภพกี่ชาติมันก็ไม่รู้แหละมันก็จะมีตั้งแต่เกิดตายเกิดตายสูงสูงต่ำๆ่อยู่นี้เรื่อยมาดังที่เป็นมาแล้วแล้วจะเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดนะไหผ้ากันตั้งอกตั้งใจนะผ้ามาปฏิบัติไม่เช่นนั้นจะไม่มีอะไรเหลือติด หัวใจพระนะนวงกรรมฐานนี่ก็เห็นไหมล่ะเขาเคารพนับถือแต่พราะอย่างยิ่งวงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนี่แหละไปที่ไหนเขาก็เคารพนับถือลองคิดดูที่พระทางภาคอีสานเนี่ยพระกรรมฐานมีจานวนมากน้อยเพียงไรประชาชนทางภาคกลางหลังไหลมา ทำบุญให้ทานทอดกรถิน่นแล้วอยากจะว่าทุกวัดไปเลยนะมีแต่ผ้ากลางเขาทุ่มเทจิตใจวัตถุสิ่งของเงินทองมาบูชาบูชาคุณวังบุญวงัญวงกุศลกับพวกเราและพวกเรามันเป็นยังไงมันลืมเนื้อลืมตัวหรือเห็นเข้ามานับถือก็เป็นดินเหนียวติดหัวกขบอีกประเภทหนึ่งแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเสียหมดนะและลืมตัวเพราะความนับถือห้องคน เจ้าของไม่ยอมนับถือเจ้าของไม่สังเกตเจ้าของตำหนิติเตียนเจ้าของบ้างด้วยความภาพเพียนไม่ได้เรื่องนะจะเสียหายไปเรื่อยๆไปที่ไหนมันมีแต่เรื่องก่อสร้างอยู่นะวัดกรรมฐานเราเนี่ยผมดูไม่ได้จริงๆนะไปที่ไหนมันก็มีก็มีไม่ทรางว่าสร้างไปหาอะไรถือเอาการก่อการสร้างเป็นมรรคเป็นผลเป็นสวรรค์เป็นนิพพานจริงๆนะ มันเลยถือว่าเป็นสิ่งก่อขุนทําให้ร่าช้าต่อความภาคเพียนอะไรเลยนะ่เหรอมันเสียเสียตรงนี่แหละพูดมาตลอดตั้งแต่เริ่มอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเกี่ยวกับเรื่องด้านวัตถุ ก, การก่อการสร้างนี้พูดมาตลอดแต่มันก็ดื้อด้านมาตลอดในวงกรรมฐานสายลังผูกมัน่นี่นะไปที่ไหนรู้หราฟูฝ่าเออดูไม่ได้เลยนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปสิตกแต่ง หัวใจเจ้าของใหมดิบมันดีนหอประสาทราชสมุทรเทียนสู้ได้เมื่อไรธรําที่มีอยู่กับใจของผู้บําเพ็ญ น, นั่นแหละสูงอยู่ตรงนั้นสาง่างามอยู่ตรงนั้นให้ความสุขประจักษ์ใจของตัวอยู่ตรงนั้นเองสิ่งภายนอกมันให้ความสุขอะไรฮะอยู่กุฏิกี่ชั้นมันก็คืออีกปูนหินทรายมันเป็นประโยชน์อะไรถ้ากิเลสเผาหัวใจไว้แล้วขึ้นไปชั้นดาวาดึงก็ไปล่อง เหมือนเสือถูกปืนอยู่ท่านดาวดึงนี่แหละลงกิเลนได้ตามต้อนตรงไหนแล้วมันหาความสุขไม่ได้นะนฟาดิเลนทามันขาดตรงไปขาดลงไปอยู่ในร่มไม้ชายเขาชายป่าดีทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระกรรมฐ า, านท่านมุ่งมุ่งทำท่านจึงไม่ได้เป็นบ้ากับสิ่งวัต ถ, ถุทั้งหลายการอยู่การจินการใช้การสอยการหลับการนอนไปมาท่านสะดวกทั้งหมดเอาความพอดีพอดีเข้าใส่เลย ไม่ได้แห่ได้แหนกันไปเหมือ น, น, นอย่างกรรมฐานกิเลสสร้างซ่วมสร้างฐ า, า, า, า, านให้เต็มหัวใจนี่เลยพวกนี้มีแต่ซ่วมฐานของกิเลสมันแหละเต็มไปหมดนะไปไหนกลัวอดอยากขาดแคลนเอะอากลัวแล้วกลัวแล้วผู้ปฏิบัติมุ่งอัดมุ่งทำถ้าไม่ได้มาสนใจกับสิ่งเหล่านี้นะท่านอยู่สะดวกสบาย แต่การภาวนาไม่ลดไม่ละอยู่ที่ไหนมีแต่ความภาคเพี้ยนสติเป็นสําคัญนี่เคยเตือนเสมออยู่ไม่มีสติไปมีสติยาบททั้งสี่ไว้มีสติ ท, ทํำสิวสิสําคัญจนว่าทำความเพียนเพียนแต่ไม่มีสติติดหัวใจเลยนี่ไม่มีความหมายเลยนะสติเป็นของสําคัญยืเนเดินนั่งนอนสติติดอยู่กับตัวแล้วนั่นแหละคือความเพียนสติได้รับการรักษาจาก กินแต่ละการรักษาจากสติแล้วย่อมปลอดภัยถึงการเวลาที่พิจารณาคัดควรด้วยปัญญาพิจารณาด้วยสติอีกสติติดแนบตลอดไปผู้ที่ตั้งใจจะทํ า, า, าร้าที่สางสิ่งที่เป็นภัยหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ต้องเป็นผู้มีสติเป็นเครื่องกําจัดปัญญาเป็นอันดับที่สองในขั้นเริ่มแล้ต่อไปปัญญาสติเป็นอันเดียวกันนั่น อย่างนั้นผู้ที่เยาหลุดพ้นจากถูกต้องฝืนการรักษาจิตตลอดเวลาเพราะภัยของมันเต็มอยู่ในหัวใจมันห่างไกลจากใจที่ไหนสติมาเป็นชั่วระยะกิเลสตีลงนุ่มห้าทวีมก็จะตั้งตัวกับมาได้กิเลสอาไปกินหมดตับปอดไส้พุงไม่มีเหลือเลยยังมาปฏิ ญ, ญาณตนว่าเป็นพระกรรมฐานกรรมฐานใช่ไม่ไดนะ ผมเนี่ยเอามาประมวลมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังหมดเพราะผมได้ทำอย่างนั้นจริงไม่ได้โอ้ได้อวดพูดตามความสัตย์ความจริงที่ได้ปฏิบัติมารวมความลงแล้วว่าทุกในโลกนี้ไม่มีงานใดทุกยิ่งกว่าการทุกการเพราะการฆ่ากิเลสเ น, น, นี่ยอันเนี้ยยกได้ออกหน้าออกตาเลยทุกจริงจริงฆ่ากิเลสนี่ฆ่ายากมากืีเดียว อยู่ที่ไหนหาความสบายไม่ได้เพราะกิเลสเป็นผู้ก่อผู้กวนผู้เหยียบย่ําทําลายตลอดเวลาจะหาความสบายเลยการต่อสู้กิเลสมันก็เป็นทุกข์ประเภทหนึ่งแต่เป็นทุกข์เพื่อสุขกิเลสเหยียบย่ํำทำลายหัวใจเราเป็นทุกข์ประเภทหนึ่งแล้วจะเป็นทุกข์เรื่อยไปตลอดถึงเป็นมหันตสุขได้ถ้าไม่ล้วลิกฟื้นตัวด้วยความภาคเปลี่ยนของเรานะเรื่องโลกเรา่องสารอย่าเข้ามายุ่งกวนใจนะ วันนี้แม้ผมได้นําชาติบ้านเมืองผมก็ไม่เคยมาแต่ต้องพาให้เสียตังความภาคเปลี่ยนไปผมก็สงวนรักษาเต็มกําลังนอกจากมีความจำเป็นจริงก็อาศัยกันบ้างเป็นธรรมดาแต่ที่ให้ตั้งใจววรบกวนหมู่พวนผมไม่เอาเพราะรู้อยู่แล้วเราดําเนินมาก่อนแล้วรู้หมดผู้ประกอบความภาคเปลี่ยนให้ประกอบตามความสะดวกสบาย ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งกวนเช่นอย่างบริเวณก็เหมือนกันกักไว้หมดไม่หมดไม่ให้เข้าไปข้างในเพื่อเป็นความสะดวกแก่การบาเพ็ญธรรมธรรมทางในครัวก็เหมือนกันครัวใครจะทะลึ่งเข้าไปไม่ได้นะถ้าไม่ได้รับอนุญาตหรือได้ตกลงข้อตกลงอะไรกับเราเราเป็นผู้สั่งผู้เสียแล้วเข้าไปจะเข้าไปเล่นด้านนี้ผมบอกจริงผมไล่หนีเลยไม่ต้องถามละ่ะหลายคํำละ่ะเพราะเป็นคําเด็ดขาด เกี่ยวกับพระเขาเป็นเพื่อนพานในครัวเนี่ไม่ได้เด็ดขาดในวัดนี้ไม่ได้เลยอถ้าไปอย่างนั้นออกมาก็ไล่ทันทีเพราะเป็นคําตัดขาดไปเรียบร้อยแล้วไม่มีเงื่อนต่อพวกนั้นเขาอยู่ของเขาเราอยู่ของเรามันก็ไม่ค้าเข้ากันเรื่องราวมันก็ไม่เกิดถ้าไปยุ่งเหยิยงุวนวายค้าเข้าก็นั่นละเรื่องราวจะเกิดทันทีทันทีเละไม่ต้องสงสัยระหว่างหญิงกับชาย มันเป็นของเล่นเมื่อไหร่มันติดกันได้ง่ายที่สุดเรื่องความเสียหายเลวมากที่สุดเลยนะไม่มีอะไรทันคามักิเลตนี่เป็นตัวเหนียวแน่นมั่นคงติดได้ง่ายแก้ได้ยากที่สุดนะีคือตัวนี้เองจึงต้องระมัดระวังวันหนึ่งวันหนึ่งเหนื่อยนอนไม่ค่อยจะหลับนะ มันออกเป็นห้องในท่านในขันนี่แหละถึงการเวลามันจะ แ, แทนที่จะมาเป็นห่วงเป็นใยกับมันมันไม่เห็นไม่เห็นวะก็เครื่องมือขันทั้งห้าเครื่องมือเอขันทั้งห้าเป็นสมมุิทั้งหมดรูปกายก็เป็นสมมุิเวทนาก็เป็นสมมุติสัญญาสร้างขานวิญญาณเป็นสมมุติทั้งหมดเนี่ยเวลาหมดสภาพแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของมันไปตามเดิม กิจกระหมดภาระที่จะรับผิดชอบกันงั้ก no, ็เท่านั้นเองผู้สิ้นเจีรแล้วท่านไม่มาเป็นห่วงกับสิ่งเหล่านี้และเพราะนี่เป็นสมมติโดยกงวันนี้พูดเพียงตอ่นี้ละเอาต่อไปนี้จะทำอะไรก็ทำจะเหนื่อยมากพูดมากกว่านี้ไม่ได้ละเอางานจ้ะจะทาอะไรมันเหนื่อยลงไปทุกวันทุกวันเลัพูดจะตนาทีสิบ้านาทีเสร็จ แน่ก็ประมาณยี่สิบถึงยี่้าน่ะสี่เท่านั้นเองไม่คุ้นมากแล้วมันเหนื่อยมากนะมันลืมได้ไง่ายนะโอ้คันนี่มันหดเข้าหดเข้ามันจะทชยงานไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มันมีแต่ลู่เฉยมันไม่แยบออกเป็นความจำนั่นจำนี่นะต่อไปนี้มันจะเทศไม่ได้นะ คือเท็จเนี่ยมันมีแยบแยบแยบยบยบออกอย่างนี้แยบออกแยบออกออกจากขันนี่าที่มันโหดแต่มันไม่แยบถ้าอย่างเท็จทางปริยาตินี่ผมเทพไม่ได้นะทุกวันเทศปริยาตมันมันต้องวิ่งออกใส่กำพีเรียนจดจำมาจากเร่มไหนกำพีไรมันต้องแยบแยบแยบออกเทศปริยัตินี่มันออก แต่ถ้าเทศปฏิบัติไม่มีออกว่าพู้มุกกรงเลยที่จะออกไปหมายนั่นหมายนี่มีขึ้นปัจจุบันปัจจุบันตลอดเลยเดียวมันต่างกันอย่างนี้อ่ะเป็นไงจะของไันรู้เองเทศท่าอาเทศไปญาตผมเทศไม่ได้ทุกวันนไงไม่ได้จริงๆมันไม่ไปให้เลย ความแค่พากุญญบัตรมันก็ขึ้นปัจจุบันขึ้นจากติดจักติดจกติเรื่อยเรืยเื่ย้องกลางกันเราไม่ได้เหยมาครั้งปัจจุบันครั้งเหยมามันก็เข้าใจทั้งสองอย่าง่ปยัดก็เคยแค่แต่ความเพราะยังไม่มีอยากปัจจุบันภายในใจของเขาแค่ไปตามไยัด่ะ พอภาพก็จุบับบค่อยมือเราไม่เกิเนหายใจเวลาเคล่อนมันก็ขึ้นจังนี้เลยมากน้อยก็ขึ้นตามกำลังของความรู้ของขัน้นภูมิของติดน่ะเรื่อยเรื่อยเพราะผู้กินมือสมาธิแค่จึงมือเงียบเงียบ ในขั้นสมาธิได้ดีขั้นปัญญาก็มีน้ำหนักกันขั้นปัญญาได้ดีเป็นขั้นขั้นของปัญญามันเริ่มเคลือนกมันทะยุหมดเลยไ่มันว่างไปหมดเลยไม่มีอะไรมาติดมาคล้องเลยติดคล้องมันไม่จะเกลื่อเกลื่อตอมาติดเราไง เราก็ติดยาวแล้วก็แค่ไปก็เมื่อติดตัวเองนะมันก็ติดไปได้ทั้งหมดตรงเงี้ก็เมันขาดกบ้านขาดใจแล้วไม่มีติดเ็ของไม่ติดตัวเองแล้วก็จะไปติดกับอะไรเนยมันขัปจับมืใจอื่า้ของมันติดตัวเองก็เล่าไม่ติดอะไรในสามรยประวัีบ้เราติดเ้าคือกเราเนี้ย พวผู้ศรัทธาเหล่านี้เยอนะจริงๆคือไม่มีศาสนาใดที่จะแต่รอยของจิตได้ถึงขั้นสุนดท้ายไปเลยไม่ไมีเท่าที่ดูศาสนาอื่นเห็นมันไม่ค่อยมีเกี่ยวกับจิตนะศาสนาไหนก็ต่างก็ว่าตาว่าชีภาษาของแต่ศาสนาพราเนี่ เขาหากจิตเลยเรื่องพึ่งหาก็ให้จิตสงบเนี่ยเรื่องภาวนาใช้คำวิกรรมเพื่อให้จิตจะเกาะคำวิกรรมไม่งั้นมันเรืยลนมันควอยคว้าเอาคำวิกรรมให้มันเกาะเมื่อเกา่อนานๆเข้าความรู้นี้มันก็เด่นขึ้นเด่นขึ้น กับคำมือกรรมนี him, <S <S ่แเด่นขึ him, ้นจากนั nice ้นเด่นขึ้นเด่งขึ้นต่อไปความรู้นี้เด่นพึ่งตัวเองไปแล้วคํามือกรรมก็ค่อยหายไปหายไปเช่นผู้มีจิตเป็นฌสมาธิมีความสงบเย็นจุบของจิตก็เด่นอยู่ในนั้นความรู้เด่นในจุบสมาธินี้เดียวก็ไม่ต้องมีกรรมภาวนาสติจับอยู่กับนั้นเลยกับฐานแห่งความสงบแห่งจิต เป็นสมาธิอยู่นั่นนั่นนี่ก็ปล่อยคำปฏิกรรมได้ยักคือสมาธิเป็นยากสติจับอยู่กับสมาธิแต่นั้นก็กล้าทางด้านปัญญาไม่มีใจเรื่องแตะร้อยจิตทัางนั่นนะะตามตามจิตไปผู้ศรัทธาอยานี่โกงเป็นเป่งอนะไรเงี้ยหาที่ต้องจิตไม่ได้เท่าที่เราเนี่ยปฏิบัติมาเนี่ย ไม่ม so ีที่จ้องสี่กองไหนตามไล่เข้าไปเริ่มจะจิตสงบเนี่ก็เริ่มเนี่ยเรื่อยเรยืแล้วก็มีอุบายสุขีปัญญาท่านก็สอนไว้สีนสมาธิปัญญาเนี่ยบอกไว้แล้วลำดับไปเลยแบบสีนคือความรักษาที่อย่าอันดยาบคายของตัวเองไม่ใไปทําอย่างนั้นอย่างนั้ง ไม่พูดหย่างน้าอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดย้อนเพราะไม่พูดอันนี้ก็สงบไม่ก็เป็นไม่ผิดอารมณ์เวลาจะภาวนาว่าสิ่กลัวได้ทําความรังพร้เจาตัวเองตรงไหนตรงไหนมันก็ไม่มีมันก็อบอุ่นจินตไม่ผป็กงังวลมันก็ภาวนาลงได้ง่ายเน่เขาจิภาวนาได้เราจะเจนหน้าที่จะยุ่กับสมาธินั่งได้ แล้วก็มีอุบายปัญญามีพูดแนะปัญญาช่างสอนสีนสมาธิปัญญาเนี่ยออกตัวสมาธิกับปัญป ญ, ญานําปัญญามาใช้าตามหลักที่ชนะ่างสอนเอาไว้เนี่ปัญญาก็ข า, ขาขยายตัวออกไปกระจายไปก็เริ่มเห็นสิ่งที่ตัวไหนเป็ยังไ ง, ไงจะเริ่มเห็นโดยทางปัญญาเนาะสมาธินี่เห็นแต่ความฟุ้งซ่านว่าเป็นโทษสมาธิไม่ฟุ้งซ่านเห็นเพียงเท่านั้นนะ กานแยกแขนออกไปเหมือนปัญญาไม่ได้นะแต่ปัญญานี่มันกระจายออกไปหมดวิญมันมีมากกับมากหลายปีหลายก้าวหลายก้อนแหวงแก้ไขกันยังไงปัญญามันตามของมันเองตามต้อนไปเรื่อยๆจนก็ทั่งกระจ่างออกกระจ่างออกกว้างของไปวิญมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตตามกันได้สนั่น ต่องี้ยมันกับพุ่งพุ่งเลยดังคื อ, อผมเลยพูดให้หมู่เพื่อนฟังคงจะไม่เป็นอย่างเราทุกรายไปนะ่างชื่อว่าภาวนามัญปัญญาเนี่ยอันนี้สำหรับเรามันผาดโผนจริงๆนะภาวนามัญปัญญาสกิปัญญาไปโดยธรรมชาติ เป็นก็เรื่องหมุนเกี่ยวเกี่ยวส่วนพ่อแม่ของฉัได้รังเอาไว้นะ <c oughs> ผมไม่เยอะเพราะนิสัามันนี้สายผาดผถนตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิมาผมก็ไม่ค่อยเหมือนใครส่วนมากถ้าใครเคยเป็นสมาธิด้วยวิธีการใดมักจะไปตามวิธีเก่าของตัวเองเพิ่งค่อยสงบไปสงบไปอันนี้ก็เป็นสมาชิได้เพิ่งจะเจร่วมพรึบลงไปอย่างเนี้่ เมื่อน า, นานก็ไปมันก็เป็นสมาธิได้เช่นเดียวกันไงแต่เราไม่เปลยนว่ามันเป็นทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างนี้มันไม่ใช่เราตกแต่งเองนะคือเป็นในที่ใสเองนะเป็นขึ้นแล้วถึงรู้พเวลามันสงบมันก็สงบมันไปเวลามันผึ่งมันก็ผึ่งมาเอ ง, งอยังเหยียเป็นสองภาคหรือเป็นอุพโตเนี่เราก็ไม่ค่อยเหมือนไข่นะตั้งสมาธิก็ไม่เหมือนที่ออกทางด้านบรรญาก็อย่างว่า ไม่ควรจะยินใครว่าพูดอย่างนี่นะนี่เป็นปัญญาัตุรมัติคือสติปัญญาเมื่อถึงขั้นนี้แล้วมันไม่มีอียาบทนะผมเองไม่มียืเนเดินนั่งนอนมีเป็นอัตโรมัติของสติปัญญาทำงานเพื่อฆ่าสอดถอนีิเศดโดยลำดับลดาดับแม้ที่สุดฉันทาหารมู่มันก็ไ ม, ม่นอยู่กับอาหารนะ มันต้องหมุนของมันอยู่ในนั้นแหละเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะยาบอดใจก็ตามเรียกว่าไม่มียาบดเว้นแต่หลับเป็นอความหมุนตัวของสติปัญญาขั้นนี้ทางนั้นทางนั้นทางนั้นหรอกที่เวลานานเขไปมันก็เป็นมหาสิมหาปัญญาสี่มันเชื่อมโยงกันไปอันนี้ก็ไม่ค่อยจะยินใครพูดที่ไหนนะ สำหรับพ่อแม่ครูจางนั่นท่านเป็นของท่านนู่นตอนมหาเถระถามอยู่ที่วดัดบริยาที่ผมเคยไล้ฟังว่าเธนอยู่เทนเธออยู่คนเดียวเวลาเกิดปัญหาข้อข้อขอขอางใจในอนดีตทำขึ้นเธอจะถามใครวะใันบอกว่าท่านฟังทำอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนั่งเข้ากันได้ปั๊บเลยนะก็สกิพญาติมากนั่นตาม่ท่านเป็น มันหมุนติ๋วของทัานท้านวางท่านทำท่าอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีหยุดหยอดเลยท่านวางเนี่ยมันเข้าก็ได้กับวิธีการของเราที่ดาเนินมันทั้งกลางวันกลางคืนจริงๆไม่มีหยุดหยอดเลยเรื่องภาวนามปัญญามันไม่จําเป็นจะต้องไปเห็นรูปแล้วรูปมาวิภาวิจจานเป็นปัญญาขึ้นไปฟังเสียงดมกิ่งริมรถแล้วจึงจะนำสิ่งอนั้นมาพิจารณาเป็นปัญญาขึ้นไปมันเป็นได้ทั้ง ที่กระทบสิ่งภายนอกทั้งไม่กระทบสิ่งภางนอกมันจะเป็นขึ้นภายในของมันเองนั่นมันเป็นทั้งสองอย่างเลยครารเจี่ยยกภาวนามนต์ปัญญปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาร่วมร้วนเก็เกิดขึ้นจากในจิตร่วมร้วนที่เยอะมันต้องไปอาศัยดูยู่เสียงทีนร่อมเครื่องทบดอะไรก็ตามมันก็เป็นของมันตลอดเวลาเพราะกี่มันอยู่นีจใจมันแสดงนิใจสติบัญญาสติใจมันก็บูุนก็สติใจสิ แก้กันถูกใจแให่เมื่อมีสิ่งภายนอกมาปั๊บมันก็นํามาประกอบกันปั๊บแก้ไปอีกเหมือนกันนั่นเมื่อไมีภายนอกภายในมันก็มีอยู่แล้วกี่มันก็ไปจีเกี่ยวกับข้องกับอะไรมันก็ตามกันเลยนี่มันก็อย่างนั้นเพราะว่าสกิบญาติมากมาเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนไปตู้ลายเราะว่าคิดเห็นเจ้าของครับถ้าเป็นประตูลายมันการเที่ยว่ากัน แนะนำานการสอนการโต้อตอบอาจทำทั้งหลายนี่มันก็จะต้องเป็นแบบเดียวกันหมดนี่คิดว่ามันจะไม่เป็นแบบเดียวกันนะสำหรับเราเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างกระจัดเลยจริงจ้าไม่สงสัยเลยเป็นธรรมดาพราแม่กูจารย์ลังเอาไว้เน่ะนั่นแหละมันหลงสังขาร น, นั่นเห็นไหมละ่ะท่านพูดกับผมท่านจะไม่พูดแยกแยะนะคือให้ไปตีความหมายเอาเอง ทุกอย่างท่านโยนโยนให้ทั้งดุนเลยเป็นถ้าเป็นไม้ก็โยนให้ทั้งดุ น, น, น, กก น, ใ, หดนให้ทั้งถอนเลยให้ไปจันไรเอง응เวลามันผ่านไปมันก็มารู้มารู้อ๋อท่านูดนั่นหมายความว่าอย่างนี้อย่างนี้แน่าานทำมานั่นมันหลงสังขารนั่นคือว่าสังขารนี่เป็นฝ่ายมักรก็จริงนั่น แก่กีก้ก็จริงแต่ชาต ไ, ไ, ไ, ไม่รู้จักประมาณช่อมุทัยแทรกเข้าไปสังขารไม่รู้จักประมาณนั่นละ่ะท่านว่ามันหลงสังขารเนี่ยเวลามันผ่านไปไปมันย้อนมารู้หมดนะท่านจึงท่านจึงไม่เจรนายให้นะการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นการเป็นเวลาแล้วค่อยมาพักผ่อนทางด้านสมาธิเป็นการเป็นเวลาสับกันไปนี่จะพอหรพอดีมันก็ไม่ถูกกับนิสัยอย่างเราท่านก็ฟามันหลงสังขารฟาเวลามันจะตายจริงมันก็เข้ามาสมาธิจนได้เนี่ย มันจะตายจริงๆนะโอหมุนติ่วที่อยู่ตลอดเวลาไม่ได้หลับไม่นอนกลางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งตลอดรุ่ง ก, กลางวันยังไม่หลับอีกหมุนตลอดโอ้ยนี่มันจะตายแล้วนะ่าเป็นอย่างนี้ละเมื่อมันทนไม่ไหวจริงๆเป็นอะไรหักเข้ามาสมาธิมันจะตายจริงนะถ้าเป็นอย่างนี้ละหักเข้ามาสมาธิสมาธิมันก็เพลินกับบัญญานั่นอยู่ตลอดมันต้องได้บังคับก่อนสมาธิทั้งๆสมาธิมันเก่งขนาดไหนแล้วนะแต่มันเห็นว่า มันสมาี่นอนตายเฉยไปเสียเลยมันไม่ได้เห็นว่าพิเศษยิ่งกว่าการดําเนินทางด้านปัญญาแต่ท่านที่ทำปัญญามันก็ไม่รู้จักประมาณอีกมันก็ไม่รู้ตัวนะ mm hmm. เวลามันจะตายจริงมันก็หักเข้ามามาอบรมมาสมาธิเป็นคําบริกรรมนะฮ่าพุโทโธพุโทโธเลยไม่ให้มันคิดไม่ให้มันออกคืออ อ, อกออกไปทํางานนะออกไปทางด้านปัญญาไม่ออกไปทางอื่นแล้ว บางคับไว้จนกระทั่งมันแนวลงโอ้ยเหมือนสอดเชี่ยนสอดน้ําเวลามันพักงานทางด้านพการปัญญาณนะเหมือนสอดเชี่ยนสอดน้ําบางคับไปนั้น่ะมันยังจะออกอยู่นะออกจะออกไปทํา ง, งานนะไม่ออกไปไหนนะบางคับไว้จนควรแจกการเห็นว่ามีความถูกความสา่างมีกําลังบางชาแล้วพอร า, รามือเท่านั้ลแหะมันจะผึงออกเลยที่นี่โอ้ย เหมือนกับมีที่รับหินแล้วกําลังบางชาวของเราก็ดีฟาดที่ขาดสะบั้นสะบั้นไปเลยเนี่ยสมาธิเป็นหินรับปัญญาเป็นอย่างนี้เองมันเห็นจักรชาติอ่างนั้นมันมาจากั้นอหละสําหรับเรานะมันเป็นขึ้นในตัวเองมันก็ไม่ถามใครแล้วมันชัดอยู่กับตัวเองเวลามันจะตายจริงมันเข้าสมาธิหนึ่ง ถมันไม่ตายไม่ถอยนะมันจะหมุนติว้วมันจะตายจริงเข้ามาเข้าสมาธิทีหนึ่งกันถึงขนาดมันจะตายจริงมันถึงเข้านะเพราะความเพลินทางด้านปัญญามเป็นอย่างนั้นนะเราอ๋อมันมีที่สุดจุดหมายปลายทางใช่ไหมเวลามันออกปัญญาเวลามันกว้างขวางพูดไม่ถูกรู้ได้เฉพาะเจ้าของ เอาจนกระทั่งเวลามันเต็มขีดมันไปเต็มที่ของมันสุดขิดทุเดานหาทั้งไปไปได้แล้วมันย้อนขึ้นมารู้รู้หมดนะที่ผิดพลาด ต, ตรงไหนคดรคงตรงไหนมันย้อนมารู้หมดเลยเดียวนะนั่นอย่างนั้นนะเวลามันไปผิดผิด ถ, ถูกถูกก็ถูถไปอย่างนั้นแหะแต่เวลามันผ่านไปเรียบร้อยแล้วมันย้อนขึ้นมารู้หมดอย่างท่านว่าให้ออกจากสมาธิพิจารณาปัญญาก็ยอมรับทันทีปัญญา ว่ามันหลงสังสานคือใช่ปัญญาไม่รู้จักประมาณมันก็เป็นสมูทไทยได้มันก็ย้อนมารู้แน่อย่างท่านนะเนี่ยท่านว่าอุทจักอุทจักสังโยชน์เบื้องบนคือมันมันฟุ้งมันพิจารณามันเพลินในการพิจารณาเกินไปอุทจักสังโยชน์เบื้องบนคือมันเพลินในการพิจารณาเรียกอุทจักไม่ใช่อุทจักภูจักในอ่ามีวรห้านะมันต่างกันนะ มันไปจนที่ไปแล้วถึงขั้นพอแล้วมันก็ไม่เห็นถามใครว่านั่นแหละซันติิโก้สุดยอดประกาศป้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นบุรีเจ้าพระรามจึงไม่ถามกันถามอะไรก็ซันติิโกประกาศไว้แล้วอย่างเด็ดขาดจะไปเลยซันติสโกไปไหนอีกนั่นยอมรับยอมรับไปเลยแล้วอ๋เอเลิกกันนะเนืเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วผมจะพักล้